หมอยังไม่มาทารุนหลวงพ่อเลยวันนี้เหมือนเดิมคือไม่สุดลงแต่แม่ชีบอกแห่กินยาจีนแล้วดีหลวงพ่อไปเทศที่เมืองลาวนะต้นเดือนก่อนกลับมาเป็นวัด เป็นมาเป็นเดือนลพะพอจวนจะหายก็มีธุระต้องไปข้างนอกก็ไปรับเชื้อมาเพิ่มเติมหมอก็ให้กินยานะเริ่มจากยาฝรั่งขนาด น, นี้ไม่ไหวแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนไปหลายอย่างตอนหลังนี้หมอให้กินฟ้าทลายโจร <c oughs> คุณแม่ชีก็ไปเมืองลาวเป็นหวัดเหมือนกัน วัดตัวนี้ทนทนนะมันดื้อจริงจริงตอนนี้คุณแม่เนี่ยก้าวข้าขั้นฟ้าทลายโจรแล้วไกินยาจีนแล้ว mm hmm. ถัดจากนี้ต้องกินยาหมอกแล้วเ mm hmm. ชื้อมันดื้อยาขึ้นเรื่อยเรืนะ่อเชื้อมันดื้อต่อไปพวกเราจะตายด้วยโรคง่ายๆ่ายเราฆ่าเชื้อไม่ได้ะ อย่างถ้าเราค่าเชื้อไม่ได้นะแค่ผ่าตัดเนี่ยก็ตายแล้วไม่ตายเพราะป่วยอะไรหรอกตายเพราะติดเชือ้อน่ากลัวมากนะเพราะว่ายาเริ่มเอาไม่อยู่แล้วตอนเพนิสซิลินเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์นักเะรนี้ประกาศเลยต่อไป น, นี้ชนะเชื้อโรคทั้งหมดแล้ว ลืมไปว่าเชื้อโรคก็พัฒนาได้เชื้อโรคก็เป็นอนิจจังเหมือนกันพวกเราถือว่าภาวนาเ็านะต่อไปเราอาจจะเป็นบาดตายหรือว่าเดินสะดุดเสี่ยนตำแล้วติดเชื้อตายนะไม่แน่เราต้องฝึกตัวเองให้พร้อมอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องพร้อม เรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อแล้วก็ตั้งใจฝึกเขานะต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากนะพึ่งคนอื่นให้น้อยช่วยตัวเองให้เยอะๆสังเกตไปบางคนพอเรียนกับหลวงพ่อใส่ก็วิง่งเข้ากลุ่มโน้นกลุ่มนี้<ส>เล็วไหลที่หลวงพ่อสอนให้นะ่ะเหลือเฟือแล้วเอาไปทำเท่านั้นแหละนี่ทำไมบางทีหลวงพ่อมีผู้ช่วยสอนบางคนเพราะว่าหลวงพ่อ ก็เข้าใจนะพวกเราที่อินทียอ่อนนะ่ยมันต้องการที่พึ่งนี่ให้พึ่งสเปซสปามันก็วุ่นวายเหลือเกินก็เลยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งมาช่วยสอนบางคนหลวงพ่อไม่ได้ตั้งนะมาสมัครเข้ามาสอนก็มีคนบางคนหลวงพ่อก็มอบหมายแต่ว่าหลวงพ่อก็ต้องมีหน้าที่ดูอีกทีหนึ่ง ว่าพวกเราเพอไปเข้ากลุ่มเรียนแล้วดีขึ้นหรือเร็วลงนะเรียกว่าประเมินผลผู้ช่วยสอนประเมินมาหลายคนแล้วนะนะเป็นระบบการตรวจสอบของว่านเรานะเริจสอบว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคไปปรับปรุงม า, าปรับปรุงไม่ได้ก็เลิกนะใช้ไม่ได้แนละ ของหลวงพ่อตรวจง่ายกว่าระบบไอซงไอโซ อ, อะไรนั่นนะทำกันแหลมปีเพราเรามองเอาเห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตาสอบตกถ้าเห็นแล้วโอ้มันมืดตื้อเลยนะแล้วใจเสื่องซึมซื่อบื้อใช้ไม่ได้นะ้ะเป็นมิชาสมาธิไอ้พวกซื่อบื้อเนี่ยมักจะคิดว่าจิตดีนะจิตมีความสุข นะมีความสุขสยองเดี๋ยวต่อไปอาจารย์นี้ก็ตรวจแล้วพาคนจีนมาให้ดูทีหนึ่งตั้งสองร้อยคนนะคนจีนที่เป็นลูกศิษย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เหลวไหลไปเรียนที่อื่นสักก่อนนะก็จะดีงั้นคนที่เรียนกับอาจารย์ล้วก็จะไปเรียนที่อื่นอีนอก ตั้งใจเรียนไปอาจารย์ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วเนีใยหลวงพ่อทำตรอย่างปั๊มหน้าผากให้แต่ละค น, น, ะ น, ะนะแล้วมีใครอีกอะไล่มาหลายคนแล้วนะคุณแม่ไม่พ้นหรอกคุณแม่สอบผ่า น, นตั้งแต่แรกแล้วลูกศิษย์คุณแม่ดีขึ้นนะ เคยผิดศีหน้าตาเฉยก็มีศีลเคยฟุ้งซ่านก็เริ่มมีสมาธิคุณแม่เห็นเงียบๆอย่างี้เก่งนะสอนผู้ช่วยสอนอีกทีหนึ่งสอนผู้ช่วยสอนอีกทีอีกคนหนึ่งที่ผ่านคือจันะพวกเราไม่ค่อยได้เรียนด้วยจันอาพอหลวงพ่อเลิกเขาก็ตามหลวงพ่อไปพวกเราไม่ค่อยมีโอกาสเรียนด้วยแต่พวกพระเนี่ยจะรู้ฝีมือจันะ สอนพระได้ดีมาแล้วสอนจนได้เรื่องได้ราวมาแล้วมีใครอีกว่ามีกลุ่มหนึ่งนะที่ไม่มีลูกศิษย์เป็นตัวเป็นตนนะอาจารย์ลูกศิษย์เยอะนะแล้วอาจารย์สอนเก่งสอนดนะีแต่ประเมินผลลูกศิษย์ยากมากเลยเพราะแกสอนงวงกว้างลูกศิษย์ไม่ได้โปร่มาให้เราดูนะงวงกว้าง แต่ดูสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยดูไม่เพี้ยนนะทุกหลักทุกเกณฑ์งินผู้ช่วยสอนที่เหลือยังมีอีกไหมมีใครนี่อาทิตย์ถัดไปพาลูกศิษย์มาให้หลวงพ่อดนะูเอาทีละคนหนะลวงพ่อจะตรวจว่าลูกศิษย์ดีไม่ดนะีบางคนตัวเองภาวนาได้นะ แต่สอนไม่เป็นนะอะสารลูกสิทธิ์ไม่เจริญหรือเจริญแต่เจริญลงนะมีนะไม่ใช่ไม่มีต้อนงะนะตรวจสอบก็พามาสักสิบคนก็ได้นะสิบคนสุ่มตัวอย่างมานะไม่ใช่ไปเลือกแบบเจ๋งๆอย่างเดียวเลยนะเอาแบบให้มันมี represent ภาพที่แท้จริงเลยนะ เดี๋ยวเเลือกรู้สิ์ชั้นหนึ่งมาโอ้ผานนะเอาเหรียญทองไปเลยอาจารย์คนนีนะ้มีใครอีกมีไหมอ๋อพวกนี้ไม่ค่อยมาไม่ค่อยได้สอนใครนะพวกนี้ไม่เท่าไหร่แต่พวกที่สอนเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะี่ยหลวงพ่อต้องเพ่งเลงหน่อย พาคนผิดเป็นกลุ่มๆนี่น่ากลัวนะแทนที่จะสร้างสมาธิที่ดีไปสร้างมิจฉาทิติขึ้นมาน่ากลัวมากเลยที่เนี่ยคนเยอะมันเคยมีพวกที่แอบเพ่อมาสอนก็มีนะไม่ได้เรียนจากหลวงพ่อหรอกแอบเพ่อมาสอนเที่ยวถ่ายจิตคนโน้นคนนี้นี่จิตเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยหลอกให้เขานับถือหลวงพ่อบอกแล้วไอ้การดูจิตคนอื่นง่ายหมามันยังรู้เลยนะไม่ใช่เรื่องยากอะไร นี่มาหลอกชี้สภาวะไปเรืยทำให้คนที่เรียนเนี่ยต้องพึ่งต้องพึ่งคนสอนให้เขาคอยจี้ให้คอยชี้ให้อันนั้นเป็นความล้มเหลวนะหลวงพ่อสอนสภาวะเหมือนกันแต่หลวงพ่อสอนสภาวะเพื่อให้พวกเรารู้จักสภาวะเมื่อเรารู้จักสภาวะแล้วเราต้องไปดูของเราเองไม่ใช่มานั่งถามจิตหนูเป็นยังไงคะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคำถามโง่ๆแบบนี้ละเห็นไหมย้าคำว่าโง่ๆนะโง่อย่างไงอ่ะจิตตัวเองเป็นยังไงไม่รู้อ่ะมาถามคนอื่นเ็ได้ยังไงเขาบอกก็เชื่อได้แค่ไหนนะอย่าเชื่อง่ายนะอย่าพึ่งคนอื่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ต้องพึ่งตนเองใช้สติใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ใช้ความเชื่อ เพราะนอย่างที่ใครมาบอกเราว่าทําอย่างนี้ดีทําอย่างนี้ดีต้องวัดด้วยตัวเองว่ามันดีจริงหรือไม่ดีไม่ใช่เชื่อหลับหูหลับตาเชื่อไปเรื่อยๆแค่นั้นไม่ใช่มนุษย์หรอกมนุษย์ต้องมีเหตุมีผลนะฝูงของสัตว์เนี่ยมันเชื่อตามๆกันอย่างวัวควายนะหัวหน้ามันเดินไปลูกน้องมันก็เดินตามไปมันเชื่อกันปลาฝูงใหญ่ๆนะมันว่ายนาไปตัวหนึ่งตัวอื่นก็ตามไปตั้งพันตัวนกมันก็บินตามกันไป การที่เชื่อตามๆกันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์หรอกนะคุณภาพต่ำกว่ามนุษย์นะเราเชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่เชื่องมงายความงมงายนี้เป็นศัตรูเลยนะพระโสดาบันเนี่ยละความงมงายได้เพระฉะนั้นเราอยากเป็นพระโสดาบันก็อย่า ง, งมงายนะ ค่อยๆลดคอยๆล้าไปอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลอย่าไปเชื่อต้องช่วยตัวเองให้ได้สังเกตไปต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนไม่ต้องเกี่ยงกันใครจะส่งก็เอากับวัสานาหลวงพ่อครับประคองจิตยอยู่ดูออกไหม<อ>มันนิ่งกว่าความเป็นจริงยังแยกไม่ออกครับ ขนาดนี้รู้สึกแน่นัหมรู้สึกว่าทื่อๆไหมรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะส่วนตื่นเต้นอะไรนะครับตื่นเต้นก็ส่วนของความตื่นเต้นเราบังคับไม่ได้ครับแต่พอตื่นเต้นแล้วเราก็ไปทำใจให้ทื่อๆอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นการแทรกแซงจิตจิตตื่นเต้นเป็นธรรมชาติตื่นเต้นได้ครับแต่พอตื่นเต้นแล้วเราไม่ชอบเราเข้าไปควบคุมตรงนี้คือการแทรกแซง นัปฏิบัติอย่าแทรกแซงจิตให้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นนะครับอย่างบังคับอยู่นะครับเออมาจิตไม่เข้าฐานดูอกเปล่ามีบ้างครับตอนนี้เข้าไหมตอนนี้คิดว่าไม่ครับเออคิดเอาไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องเห็นเอานะครับรู้สึกไหมใจเรากว้างๆออกไปข้างนอกครับนะใจกว้างๆออกข้างนอกไม่ดีนะ หลงปูดดูนีจิตออกนอกหายใจเรารู้สึกตัวไม่ดึงจิตคืนนะแต่หายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกนะมันจะกลับเข้ามาเองนะจะเข้าบ้านงั้นจิตยอยู่นอกบ้านมีบ้านอยู่นะแต่ไม่อยู่บ้านไปอยู่นอกบ้านคือกายเนี่ยเป็นบ้านของจิตแทนที่เราจะให้จิตอยู่ในบ้านเราก็พาจิตออกไปอยู่นอกบ้านทิ้งบ้านไปหนะลวกปู่ก็ขึ้นหมดเลย ก็เมื่อวานเป็นวันแรกนะครับที่มาฝึกปฏิบัติที่นี่ที่นี่มีข้อสงสัยครับเป็นคนที่สงสัยก็เลยสงสัยว่าระหว่างการนอนไม่หลับรู้สึกตัวกับเป็นคนรู้สึกตัวเนี่ยมันจะแยกกันได้ยังไงครับ <c oughs> นอนไม่หลับก็าหาทางหลับเท่าะนะ้ <c oughs> คือเหมือนกับตอนพลิกตัวใช่ไหมครับถ้าเกิดรู้สึกตัวว่าพลิกเหตุการณ์แบบนี้คือผม่นีก็เราา ย, ยังแยกไม่ออกครับร่างกายหลับนะ <c oughs> แต่จิตตื่นได้นะครับแต่บางครั้งจิตต้องการพักจิตก็ลงผวังร่างกายาก็หลับจิตก็หลับนะแต่ถ้าจิตมันหลับพักผ่อนพอนแล้วจิตมันจุตื่นมันเห็นร่างกายนอนวิธีพิสูจน์นะเวลานอนแล้วลองสั่งให้กระดิกนิ้วซินะถ้าร่างกายมันหลับเนี่ยมันไม่กระดิกหรอกนะแต่ถ้ากระดิกนิ้วซิแหมกระดิกเยงเลยนะไปหาทางนอนหลับเคขา นอนไม่หลับนานๆเดี๋ยวเบลอขอบคุณครับธรรสการค่ะหลวงพ่ออ่าครันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่วัดค่ะแน่นอนเพราะคนที่จับฉลากคือคนที่ไม่เคยอยู่วัดนะเพราะฉนั้นที่หนูประโยคที่หนูพูดนี่เป็นเรื่องธรรมดาก็เมื่อวานก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้เวลาอยู่กับ ตัวเองจริงๆอะค่ะดีแล้วก็คอยสังเกตว่าจิตนี่คิดอะไรบ้างอย่างนี้ยค่ะของพ่อแล้วก็จะรู้สึกว่าในขณะที่เรากำหนดลมหายใจรหรือว่าเราเดินจะรู้สึกเลย ว, ว่าจิตไปที่นู่นที่นี่อย่างรวดเร็วมากอะค่ะใช้ได้ แล้วก็พอรู้สึกตัวเนี่ยก็คือจะกลับมาที่ตัวเองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราบังคับกลับมาหรือเปล่าอะค่ะดูอย่างนี้ถ้าถ้ามันกลับมาแล้วแน่นๆนะอ่าน น, นนะแสดงว่าบังคับคะนะถ้ามันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะจิตมันกลับมาเองเนยจิตมันจะตื่นเบิกบานเนี่ยจะสบายน ะ, ะแต่ถ้าเราดึงไว้มันจะแน่นๆแต่แต่ที่ชัดเจนมากคือจิตเคลื่อนไหวเร็วมากค่ะใช่แต่ละที่ะค่ะ ใช่จิตเที่ยวไปรวดเร็วทเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราก็เพิ่มความไวของสติขึ้นนะจิตหนีไปดูรู้ทันหนีไปฟังรู้ทันหนีไปคิดรู้ทันหัดรู้ทันจิตไปบ่อยๆนะต่อไปสติเราก็จะเร็วบางคนนะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนที่เร็วแล้วก็พยายามเคลื่อนที่ช้าพยายามจะนั่งไม่กระดุกกระดิกนะจะหันแล้วหันแล้วกิเลสไม่ช้าด้วยหรอก ทำท่าไปางนั้นนะแต่ใจเนี่ยหันทีหนึ่งเนี่ยหนีไปร้อยรอบแล้วดูออกไหมมันหนีเร็วพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้ายังบอกว่ามันหนีไปเร็วเลยแล้วก็ฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นทีแรกหนีไปนานกว่าจะรู้ต่อไปหนีปุ๊บรู้ปับ๊บนะ อย่างนั้นใช้ได้แล้วไม่ใช่ฝึกให้มันไม่หนีนะฝึกจนจิตไม่หนีเนะมันเป็นผลถ้าเราภาวนาจนถึงขีดสุดแล้วจิตไม่หนีไปไหนแล้วโดยไม่ต้องรักษาแต่จิตของเรายังหนีได้ก็ให้มันหนีไปแต่ว่าอย่าให้หนีนานอยู่กับพุโทโธอยู่ับรมหายใจไปพอมันหนีเราจะได้รู้ได้เร็วบางคนคิดมากนะบอกพุโทโธใช้ทาสมถะได้เท่านั้นแหละ ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะพุโทโธเป็นความคิดเป็นอารมณ์บัญญตัติถูกของเขาแต่เขาถูกด้านเดียวนะถ้าเราพุโทโธให้จิตไปอยู่ที่คําว่าพุโทโธเฉยๆนี่เป็นสมถะแต่ถ้าเราพุโทโธเป็นเครื่องสังเกตจิตพุโทโธพุธโทโธแล้จิตนี้ไปเรารู้อันนี้เราใช้จิตเป็นวิหารธรรมอันนี้ขึ้นวิปัสสนาได้ไม่ได้ใช้พุโทโธ พุทโธเหมือนเหยื่อตกปลาท่านนะจิตเป็นปลาเราเอาเหยื่อไปโยนลงน้ำไนะเพื่อจะดูปลาปลามันมานะแล้วเราพุทโธอะไรเงี้ยเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองพุทโธเป็นความคิดแต่เราจงใจคิดคำว่าพุทโธเวลาที่เราหลงเราจะไปคิดเรื่องอื่นลืมคำว่าพุทโธเราก็จะนึกขึ้นได้ง่ายว่าเฮ้ยหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วแสดงว่าขาดสติละ เงินเราหาัดพูทโธเพื่อฝึกให้มีสติว่องไวท่านนี้นี่แล้วพอสติเราดีสมาธิมันก็มีไอ้จิตเคลื่อนไปสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยะจิตจะไม่เคลื่อนตั้งมั่นอัตโนมัติเงี้ยสติสมาธินะี่ทำงานด้วยกันค่อยๆฝึกไปต่อไปปัญญาท่านี้เกิดพวกอยู่วัดหมดแล้วใช่ไหมกันแล้วเอา้าใครจะส่งกลับบ้านยกมือ นี่อยู mm ่น hmm. <c oughs> ี่ยกมือไว้ก็เดินทางมาไกลค่ะหลวงพ่อเคยมากราบหลวงพ่อเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าพอจะช่วยตัวเองได้แต่ว่ายังติดเพ่งอะค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมาก็มีอาการเจ็บป่วยทางกายหลายอย่างแล้วก็เหมือนเราก็มองดูอาการแต่ว่า ช่วงหลังก็คือรู้สึกว่าเวลาเรามองเราไม่ค่อยเป็นกลางแล้วก็เห็นความลาคาญไม่ชอบพอ เ, เห็นนั้นจเจริญขึ้นแล้วนะค่ะพอเห็นพวกนั้นได้ก็รู้สึกว่าสามารถมองหลายอย่างได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นได้แหละดีแสดงว่าพัฒนาแล้วคนะเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมคะดีค่ะเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดแบบเป็นภาษาสุภาพนะ อพอช่วยตัวเองได้แล้วดีแล้วละ่ะแต่ไปลดตัวนี้ลงลดตัวนี้ลงลดการเพ่งลงอะไรเป็นภาษาสุภาพที่จริงคือไม่ได้เรื่องลรอกยังเพ่งอยู่ตอนนี้รู้อย่างว่าดีกว่าเก่า ด, ดี ท, ดที่ดีที่ไม่ดื้อนนะ่ะมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปแต่ก็ดูใช้เวลานา น, านอยู่กว่าจะคำสอนของครูบาอาจารย์บางคำสอนนะใช้เวลาเป็น10ปีนะ หลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะหลวพ่อใช้เวลา22ปีในการย่อยมีอยู่ประโยคหนึ่งพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเข้าใจเมิเงนใช้เวลาสามปีไม่นานหรอกกับอยากรบกวนสอบถามเหมือเผื่อว่าลูกจะได้ฟังคําสอนนะคะลูกจะบวชเนรพรุ่งนี้ค่ะอยากให้ เขาได้แนวทางคร่าวๆจากหลวงพ่อนะคะลูกชายเจ็ดครัวให้หลวงพ่อยนชฉมหน่อยเด็กไทยมีอย่างขี้อายเลยหนีลงใต้ดินไปแล้วไปบวชนะอยากกินขนมก็รู้ว่าอยากนะอยากนอนสบายก็รู้ว่าอยาก คอยดูใจไว้อย่างเดียวใจอยากอะไรก็รู้นะฝึกกันเดียวก็พอนะเห็นใจที่อยากขอบพระคุณครับกราบธรรมสการ์ครับหลวงพ่อจริงๆก็ครอบ <He en S 2> อเห็นความนะเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองอยังอืมผมรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอืมลงนะครับคือปีที่ผ่านๆมาผมรู้สึกว่ามีความหดหู่แล้วก็ <c oughs> เครียด <c oughs> ทั้งทั้พยายามเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันครอบงําจิตเราดูออกไหมอย่าปล่อยให้ความรู้สึกครอบงําใจได้นะคือดูดูออกแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนสังเกตไหมว่ามันไม่ใช่จิตหรอกดูออกไหมจิตเป็นคนดูมันไม่ใช่จิตหรอก ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าดูออกครับคือพยายามดูดูเห็นแต่แบบมันผมไม่คิดว่าดูออกนะครับ <c oughs> ที่จริงนะในเชิงปฏิบัติแล้วดีขึ้นนะไม่ใช่เหลวลงนะสภาวะอย่างความเครียดเกิดเรารู้ว่าเครียดเงี้ยแล้วก็ใจเราไปจมอยู่กับความเครียดเรารู้ว่าใจเราไปจมนี่นี่เป็นพัฒนาการนะนะค่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไป เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขไม่ได้ปฏิบัติเอาความสงบแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเนี้ยเป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะเนี่ยฝึกไปนิจใจมันไม่ยอมรับความจริงมันอยากควบคุมให้ได้อยากบังคับให้ได้นะเราก็จะตามรู้ตามดูไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยจิตมันยอมจำนวนต่อข้อเท็จจริงมันจะรู้ว่าเราบังคับไม่ได้หรอก ตนั้นนะที่เราจะเข้าใจธรรมะขึ้นมานะคือแบบเริ่มคือเมื่อหลายปีก่อนผมก็คือดูบ้างเข้าๆออกๆเงี่ยครับสมัยก่อนรู้สึกว่าดูแล้วพอเห็นบ้างนั่งสมาธิก็จะแบบว่ามีความสงบบ้างแต่ปีหลังๆรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรนั่งสมาธิก็ไม่สงบแล้วมันเริ่มจากการเบื่องงา น, นงหลังจากนั้นก็มองไปทั่วโลกแบบมองอะไรก็เบื่อไปหมดเลยครับเนครับผมเบื่อไม่เพิ่เป็นตัญหานะ แต่ว่าอย่าให้มันครอบใจเราได้ความเบื่อเป็งแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าภาวนาถูกนะมันจะเบื่อนะภาวนาแล้วก็หลงโลกเพลิดเพลินกับโลกเนะี่ยไม่ใช่หรอกแต่ภาวนาแล้วเบื่อให้รู้ทันจิตที่เบื่ออย่าให้ความรู้สึกเบื่อครอบงําจิตได้จิตจะต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นคนรู้คนดูให้ได้นะคอยรักษาจิตเอาไว้เท่านั้นแหละนะคือมีเคล็ดอะไรหรือเปล่าคือคือผมว่าผมเห็นแต่แบบ ไม่แน่ใจว่าต้องอยูยังไงต่อดูแล้วมันก็ยังครอบคิดเยอะไปนะคิดมากไปแค่รู้สภาวะที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ช็อตที่หนึ่งอันที่สองรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะอันนั้ น, นอย่างความเบื่อเกิดขึ้นเงี้ยเราเห็นว่ามีความเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ตัวสภาวะละนะถัดจากนั้นเรารู้ทันใจถ้าเราใจเราไม่ชอบเลยอยากให้หายนียรู้ใจที่ไม่ชอบ นะงั้นภาวนาเนี่ยลงมาที่ความชอบความไม่ชอบนะหัดรู้สภาวะสภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วสงบหรือฟุง้งซ่านเท่าเทียมกันหมดเลยนะอยู่ที่ใจเราต่างหากที่ทำให้มันไม่เท่านะใจยินดีชอบแล้วให้รู้ใจไม่ชอบก็ให้รู้รู้ลงไปที่ใจไม่ชอบอนะการภาวนาที่ผ่านมาในรอบปีนี้ดีขึ้นนะไม่ใช่เลวลงนะงงไหม งงครับงงเราคิดว่าดีจะต้องสงบต้องตั้งมั่นต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้มีคำ ว, ว่าต้องเยอะแยะเลยนะแต่ความจริงมันกาลังสอนมวยให้เราดูบังคับไม่ได้ทุกอย่างบังคับได้ไหมตรงบังคับไม่ได้นั่นแหละคืออนัตตานะธรรมะกาลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังไม่เข้าใจบทเรียนนี้เท่านั้นเองนะขอบคครับ เขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยตรวจการบ้านของเขากรรมภาวนาสมัยก่อนเขาใช้ดูลมหายใจเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาหมอกับกรรมฐานอะไรครับถ้าไมจะเปลี่ยนอนะดูลมไม่ดีหรือลองลองทำมมานาปนาสติให้หลวงพ่อดูซิเอามือลงเอามือลงทาสบายๆทาไป หายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจไปแล้วพอใจเราหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆพอใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าใจไหลไปที่ลมหายใจงั้นทําอานาปานสติต่อไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองนหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปอยู่กับลมหายใจฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ ต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บเราจะเห็นโดยอัตโนมัตินะแล้วการภาวนามันจะเจริญขึ้นคือขั้นที่เราหลวลงพ่อสอนให้เขาดูจิตที่จิตจิตที่ข้ข ย, ยับอยู่อยู่แถวหน้า อ, อกอเขาอยากจะขอตอนนี้จะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับวันนี้ใจฟุ้งซ่านนะ งั้นอ่าเวลาเราจเจริญสติจเจริญปัญญาไปแล้วพอใจฟุ้งซ่านเนี่ยเราต้องกลับมาทําความสงบมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยให้ใจมีแรงถ้า ใ, ใจมีแรงแล้วเราก็กลับมาดูการทํางานที่กลางหน้าอกนี้อีกนะจะดูเจริญปัญญารวดไปเลยดูความไหวตัวที่อกตลอดไปเลยเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะใจจะต้องมีแรงเพราะฉะทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบ ให้ใจสงบอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้ทันเวลาใจมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานพอเรารู้ทันได้เรื่อยๆนะพอเรามาปฏิบัติจริงเราช่เห็นมันหมุนอยู่กลางอกเนี่ยไหวยแย บ, บยิแบแนะใจเราจะไม่ถลาลงไปดูเราจะดูอยู่สบายๆเหมือนอยู่กันคนละระดับนะดูสบายๆไปยังคิดเยอะไปนะชุดอรคือคิดเยอะไปว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ทำยังไงจะดีกว่า น, นี้อเนียให้รู้ทันว่าใจฟุงนะฟ้งซ่านนะฟุ้งซ่านพยายามหาว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีอันนี้ก็คือฟุง้งนซะ่านรู้ทันใจของตัวเองไปโอเดี๋ยวนี้คนจีนมาเยอะขนาด น, นี้เฉรอนะแต่นั่งปนๆเนี้ยดูไม่ออกนะน้าก็เหมือนกับคนไทยอนะ่ะเขาจะทำรูปแบบทุวนันทำอะไรนะทำทำรูปแบบ จะทําทุกวันครับนั่งสมาธิดูดูลมหายใจอืแต่ไม่สามารถเห็นร่างกายหายใจอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันนะทํากรรมฐานอะไรเราใช้ได้ก็เอาอันนั้นแหละเพราะฉนั้นนั่ ง, น, งนั่งที่ปฏิบัติอยู่นี่ใช้ได้นะจิตเขาดีขึ้นเมื่อเราทําอย่างที่ทํามานั่นแะนะแต่อตอนเนี้จิตหนีไปคิดแล้วรู้ว่าจิตหนีไปคิด รู้ทันจิตใจตัวเองหนีไปคิดอีกละหนีไปก็รู้หนี่ ร, ร้รู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะเลยจิตตั้งมั่น<ม>เด่นดวงสว่างสวัยดีรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ควบคุมไม่รักษามันเราจะเห็นว่าจิตทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะจิตที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไม่ดีก็อยู่ชั่วคราว ดูไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโ่วคราวไปฝึกต่อไปฝึกมาได้ดีแล้วครับเตือนมีนาหลงวงพ่อเคยแนะนำตัวไม่เจออ๋อเจอแล้วเมื่อไงมีเตือนมีนาหลวงพ่อเคยแนะนําให้เขาดูหลงหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เขาก็ ตามธรรมตามหลวงพ่อสอนเขาตอนนี้จะขอตรวจการบ้านดีใช้ได้นะจิตดีขึ้นแล้วล่ะไปฝึกต่อไปหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆเวลาหลงเรารู้หลงเรารู้เนี่ยต่อไปจิตมันจำการหลงได้แม่นหลงปุ๊บนะสติจะเกิดเองแล้วพอหลงแล้วรู้เนี่ยพอจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ปับ๊บสติรู้ปั๊บเนี่ยการหลงมันจะดับ จิตจะตั้งมั่นไม่หลงสมาธิจะเกิดนะพอสมาธิเกิดแล้วก็ไม่รักษาหนะลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงเพราะนตรงที่รู้กับหลงหลงกับรู้หลงกับรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้ครบเลยนะสติสมาธิปัญญาได้ครบเลยเพราะน้นภาวนามาถึงตรงนี้ได้ก็สบายแล้วการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดจริงๆนะเหลือแค่นี้แหละ ไหวคล๊กคลิกกแค่นี้เองไปทำต่อแต่ยังฟุ้งซ่านอยู่นะงั้นแบ่งเวลาทำความสงบบ้างสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้จิตใจจะได้พักผ่อนคนจีนเดี๋ยวนี้เขาฉลาดนะแต่เดิมเขานั่งรวมกลุ่มเวลาเรียกหลวงพ่อก็จะเรียกกระจายๆเดี๋ยวนี้คนจีนดักหลวงพ่อไม่หมดเลยนะเรียกทางนี้ก็คนจีนนี่ทางนี้ก็ใช่อนะีก เขาบอกว่าเขาจะกลับประเทศมาเลเซียแล้วแล้วเขากลัวว่าจะหลงทางออกไปอีกเขาอยากขอคําแนะนําที่เหมาะกับจริตเขากับการปฏิบัติเขาในเวลานี้ค่ะมีสตินะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วละ่ะพยายามรู้สึกตัวไปนะแล้วจิตใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกบางทีดูใจไม่ออกบางวันงงสับสนดูไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นคนดู ทำอะไรก็ได้ที่มีใจเป็นคนดูนะดูจิตดูใจความรู้สึกทั้งหลายเป็นของถูกดูใจเป็นคนดูนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้อยู่นะยงยังมีจุดอ่อนคือเป็นคนที่สงสัยนะอย่าสงสัยเยอะสงสัยรู้ว่าสงสัยความสงสัยก็เป็นสภาวะธรรมันหนึ่งนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่จะเห็นในความสงสัยมันเกิดได้เองเกิดแล้วอยู่ชั่วคราวมันก็ดับไป เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้ทุกอย่างเท่าเทียมกันอย่าไปหลงกลความสงสัยเกิดแล้วคิดมากเลยนะยิ่งเสียเลยฟุ้งซ่านสงสัยรู้ว่าสงสัยก็จะเห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะดูสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้เรื่อยๆไปตอนนี้มีคนมาเรียนหลายประเทศนะ เรามีล่ามอยู่สองภาษาจีนกับอังกฤษยังขาดภาษาฝรั่งเศเสรัสเซียกับสเปนเขาขอถามสองข้อข้อแรกเขาฟันธรรม่าปีกว่าแล้วคือตั้นใจทาประมาณสองเดือนตั้นแต่เช้ากับเย็นขั้นหน้าหนึ่งชั่วโมงเมื่อพยายามรู้สตัว รู้สึกว่าใจไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงฟงุ้งอย่าจะขอาการบ้านจากหลวงพ่อว่าเขาควรระวังอะไรครับใจไม่มีแรงใจเขาก็มีแรงนะไม่ใช่ไม่มีแรงใจที่มีแรงมันไม่ใช่เหมือนกล้ามขึ้นนะใจไม่ไม่มีกล้ามหรอกนะใจมีแรงหมายถึงจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เท่าทัน อย่างนั้นเรียกใจมีแรงไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะที่ฝึอกอยู่ใช้ได้นะฝึกมาได้ดีแล้วละ่ะเหมือนต่อไปนี้มีสติอยู่กับปัจจุบันไปมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะหรือถ้ารู้ความรู้สึกไม่ได้ก็รู้ร่างกายอย่างขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอยู่ร่างกายพนมมืออยู่เนะี่ยก็รู้สึกไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นนะ เห็นเหมือนเห็นคนอื่นนั่งเห็นเหมือนคนอื่นพนมมือนะเห็นเหมือนคนอื่นโลภคนอื่นโกรธคนอื่นหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงเราทําตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกมาได้ดีเชีละ่ะโคดที่สองคือปีนี้เขาอายุ52แล้วเขาอยากรู้ว่าชาตินี้เขาจะมีโอกาสได้มากผลไหมครับ มีโอกาสทุกคนแหละถ้าภาวนาแต่หลวงพ่อไม่บอกว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ อ, อม่มันมันมันไม่ใช่ระดับสาวกจะบอกได้นะแต่ถามว่าภาวนามาดีไหมดีมีแนวโน้มที่ดีไหมมีแนวโน้มที่ดีมันมีโอกาสที่จะได้มักผลไหมมีถ้ายัางภาวนาผิดอยู่ไม่มีทางไม่มีทางได้เลยนะ ใจมืดตืซื่อบือ้ออะไรเงี้ยไม่มีทางอ่ะชาติหน้าก็ยังไม่ได้นะหมดคําถามยังที่จริงคําถามพระเภทว่าจะบรรลุไหมอะไรเงี้ยหลวงพ่อไม่ตอบหรอกนะทําทไมไม่ตอบตอบไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิรู้ของภาษาบอกแต่ครูบาอาจารย์มางองค์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยท่านเก่งนะท่านรู้อันะอนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่าน หลวงพ่อเห็นว่ามันมีโทษมากมากกว่ามีคุณอย่างถ้ามาถามว่าหนูจะบรรลุไหมในชีวิตนี้ถ้าหลวงพ่อบอกบรรลุนะจะโอละล่าเที่ยวเล่นไปให้เพลินเลยแก่ๆ แ, แล้วค่อยมาภาวนาเดี๋ยวก็บรรลุเนี่ยเสียเลยหรือพอบอกว่าไม่บรรลุนะใจฝ่อชาตินี้ไม่มีทางแล้วเอาไว้ชาติหน้าค่อยปฏิบัติหนะลวงพ่ัวไม่บรรลุสักทีนะเนี่ยมันเป็นคําถามที่ มีโทษเยอะนะหลวงพ่อไม่เคยถามคำถามนี้กับครูบาอาจารย์ไม่เคยถามเลยนะแต่บางทีท่านก็บอกของท่านเองเอันนั้นเรื่องของท่านเราก็ฟังไว้เท่า น, นั้นแหละจริงไม่จริงเรพกวภาวนาเอามีครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านพยากรณนะ์ท่านบอกไว้หลายองค์หลวงปู่ดุลหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยเคยบอกหลวงพ่อ หลวงปู่สิมนอกจากบอกว่าหลวงพ่อจะภาวนาเป็นยังไงไงแล้วนะท่านยังบอกต่อไปจะทําประโยชน์ให้พระศาสนาได้มากท่านว่าอย่างนีนะ้คุณแม่จันดีนะไปอีกชอ็อตหนึ่งนะคุณแม่จันดีบอกว่าหลวงพ่อจะเผยแพร่ธรรมะไปได้ทั่วโลกทนว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็เรื่องของท่านเราไม่ได้รู้ด้วยจนะมาว่าโอ้โตรีก็ไปว่าคุณแม่นะ่ะ หรืว่าคุณแม่จันดีท่านบอกเราก็ฟังไว้วันเวลามันก็พิสูจน์ว่าจริงไหมที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้คนสุดท้ายนี่คนประเทศไหนคนไทยนะเออเจอคนไทยละนี่คนไทยสูญพันไปแล้ว กรับนมสัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะโ hmm. ยมมาจากจังหวัดสกลนครมา oh. ปฏิบัติธรรมวันที่แปดถึงสิบสองก่อนจะมาเนี่ยโยมเหมือนออขังตัวเอง ไว้ในห้องมืดๆนะเจ้าคะ่ะมันหาทางออกไม่เจอเหมือนคนป่วยต้องการยานะคะออก็เลยมามาที่นี่ก็โชคดีที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตา<ม>ท่านไขกุญแจออกจาก<ม>ห้องให้ให้โยมออกมาจากห้องได้รู้สึกตัวเองสว่างเจ้าคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อเมตตา แ, แนะนำโยมแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าโยมจิตไม่ไม่แข็งแรง ก็เลยอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้ทางสว่างที่จะเดินต่อไปอีกเจ้าค่ะจิตเจอมีแรงนะต้องทำสมถะงั้นเราหายใจเข้าพูดออกทัวอะไรก็เราก็ทำไปแบ่งเวลาทำไปเยอะๆใจก็จะได้มีกำลังขึ้นมา แต่จอโแต่โยมจะมีอาการก็คือถ้าทําสมถะโดยการนั่งสมาธิมันจะมีอาการตัวโยกแล้วรู้สึกลาคานแล้วก็รู้สึกเค<อ>รียดเครียดตึงๆนะเจ้าคะ่ะให้รู้ว่าตัวโยกนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราดูมันเข้าไปอย่างนี้เลยนะะเจริญปัญญาเข้าไปเลยนี่มันโยกได้เองอ่ะมันไม่ใช่เราหรอกนะดูเข้าไปแล้วถ้าใจลาคาญให้รู้ที่ใจลาคาญ พอความําคาญดับไปแล้วก็ดูตัวมันโยกไปไอ้ตัวโยกมันเรื่องปกติเวลาทําสมาธินะขั้นต้นๆอ่ะมันมีปีติตัวโยกจะโยกโยกโยกแล้วหลวงพ่อก็สังเกตไงตอนหลวงพ่อไปเจอตัวโยกทีแรกนะอ๋อมันโยกสักพักหนึ่งนะจิตก็รวมเหมนพอเริ่มต้นหลวงพ่อโยกเองเลยนะ โยมเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นประจำแล้วมันรู้สึกว่าลาคาญจังเครียดด้วยค่ะก็น่าลาคาญน่าเครียดหรอเจ้าค่ะแล้วอย่าไปโยกมันดูมันโยกเจ้าค่ะแล้วเราโยมมีโอกาสที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปครั้งหน้าไหมเจ้าค่ะมันอยู่ที่ตัวเองอ่ะเจ้ค่ะนะโอกาสหน้าเราเป็นคนให้ตัวเองถ้าเราไม่ได้ให้โอกาสตัวเองยังไงมันก็ไม่มีโอกาสเจ้าค่ะเพราะธรรมะเป็นของกลาง ธรรมะเป็นของกลางทุกคนมีโอกาสเข้าถึงนะแต่ว่าจะเข้าถึงหรือไม่ก็แล้วแต่บุญวาสน า, นะสนาบุญวาสน า, สนามีสองส่วนของเก่าของเก่าเคยทำมาแล้วมันก็ไม่จะอยากทำอีกหรือทำแล้วก็ทำง่ายกับของใหม่นะความเพียรในปัจจุบันสำคัญมากนะเป็นตัวชี้ขาดคุณงามความดีบุญบารมีในอดีตนะีมันยังไม่เต็มเราถึงยังไม่ตัด ถ้าในปัจจุบันเราไม่ทํามันก็ไม่เต็มเสตีเพราะนตัวที่ชี้ขาดคือปัจจุบันนี้่อย่าท้อใจว่าแหมบุญเราไม่พอคนโน้นบุญมากกว่าเราอะไรเงี้ยบางคนมันชอบที่อย่างนี้นะเคยมาบอกหลวงพ่อหนูไม่มีบุญเลยบอกโอหนูรู้เก่งจังเลยหนูรู้อดีตหมดแล้วเหรอว่าไม่มีบุญเลยเนี่ยไม่ธรรมดานะ <c oughs> ไม่ธรรมดาหมายถึงบ้าดิ <c oughs> ถามคำถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อโยมมีบุญวาสนาไหมเจ้าคะ่ะไม่มีบุญนะมันไม่ได้เป็นมนุษย์หรอกถึงเป็นมนุษย์ก็ พ, พี่กนพิการบ้าใบาบอดหนวดเรียนกรรมฐานไม่ได้สดนะรู้เจ้าค่ะนี่เราเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์นนษที่สมบูรณ์มีศรัทธานะแล้วก็มีโอกาส ได้ฟังธรรมะมบุญมาตั้งหลายช็อตแล้วเหลือเข้าใกล้สัตบุรุษมาเจอครูบาอาจารย์นะได้ฟังธรรมะเหลือการเอาไปลงมือปฏิบัติที่จ ะ, ะทำให้บุญของเราเต็มฟังอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติบุญไม่เต็มหรอกนะตอนนี้โยมคิดว่าโยมเจอสัต บ, บุรุษแต่ว่ากลัวแต่ว่าตัวเองจะมีกิเลสจะจะขี้เกียจนะเจ้าค่ะอย่ากลัวเลยยังไงก็มีนะ ขี้เกียจเ็อย่าไปยอมมันสิสู้มันนะขี้เกียจเบื่อท้อแท้เป็นคําที่ใช้ไม่ได้ในการทํากรรมฐานขนะี้เกียจเบื่อท้อแท้ขาดกําลังใจฝั่งนละ้วมันต้องสู้หลวงพ่อไม่ปลอบหรอกนะอยังมาบอกขอกําลังใจเออไม่มีกําลังใจก็ไปให้คนที่เขามีกําลังใจมาเรียน นะมานั่งประคบประหงมพวกเด็กอ่อนอย่างน้นนะเสียเวลาเราเกินไปนะไม่ทำหรอกเพราะฉนั้นเรียนกับหลวงพ่อต้องเข้มแข็งนะเพราะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์มาหลวงพ่อสู้นะนี่กับท่านพ่อหลีท่านสอนนิดเดียวให้ใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งนับสองนับสามไรทำทุกวันทำสมาธิอยู่ยี่ปีไม่ต้องให้สั่งซ้ำเลย สังซ้ำก็ไม่ได้ท่านอยู่ไม่กี่ปีท่านก็สิ้นไปนั้นวะมาเจอหลวงปูด่ดนท่านให้ดูจิตหลวงพ่อดูไม่เลิกดูจกนกระทั่งจิตมันแตกไปนะดูไปเรื่อยๆสลายไปนะฝึกรู้ฝึกดูไปเห็นมันทํางานไปเรื่อยๆนะไม่ได้รักษาให้นิ่งเลยนะความสุขความสงบความดีนะี่เป็นแค่ผลปลอยได้ นะขอให้เห็นความจริงซะ ก, ก่อนเถอะพอเข้าถึงความจริงนะจิตมันมีความสุขมีความสงบมีความดีของมันเองนะอย่างตอนนี้อยากสุขอยากสงบ อ, อยากดีไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ร้ายเนะี่งสะสมไปวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาถามมีบุญแค่ไหนมีอะไรบุญไม่รู้นะหลวงพ่อ สมัยภาวนาหลวงพ่อก็ไม่รู้บุญแค่ไหนหลวงพ่อเห็นว่ามีกิเลสแค่ไหน้วเห็นตัวนี้ชัดเลยนะกิเลสมีเท่าไหร่ลดไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรเนี่ยมองออกเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยดูออกพวกเราคิดว่าดูออกรประมาณม น, นี้จะยากเลยะนะไม่ยากหรอกอย่างตอนนี้เหลือเท่าไหร่บอกหลวงพ่อชื่นใจหน่อยสิ ตอนนี้เหลือสักประมาณ4ี่สิบเจ้าค่ะครับถ้าบอกเหลือเยอะก็จะจะเดี๋ยวหลวงพ่อจะว่าโอเวอร์แอคนะค่ะเจ้าค่ะบอกตามความเป็นจริงสิสี่สิบเนี่ยน้มันระดับผ้านาขาขึ้นแล้วสาธุเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระหลวงพ่อที่เมตตาเจ้าค่ะหลวงพ่อเมตตาเสมอแหละนะเหล่าพวกเราแบบเมตตาตัวเองนะถ้ารักตัวเองก็ภาวนาเรื่องอะไรชีวิตต้องจมอยู่ในความทุกข์นิรันดร์นะต้องสู้นะอย่ายอมแพ้อย่าถดถอยต้องสู้เข้มแข็งไว้ ความอ่อนแอไม่เคยนำชัยชนะมาให้ใครหรอกอดทนเข้มแข็งอาวหมดเวลาพอดีนี่หมดเลยครับเห็นไหมหลวงพ่อเก็บเวลานิดหน่อยเก็บหมดเลยนะใช้ประโยชน์อย่างพระหลวงพ่อก็คุยด้วยแล้วตอนที่โยมอย่างอยู่ระยะเที่ยวมาไม่ถึงนะ่